เรื่องของเล็กน้อยที่ควรแจกภิกษุผู้แจกของเล็กเล็กน้อยนอยพึงให้เข็มหนึ่งเล่มพึงให้มีดพึงให้รองเท้าพึงให้ประคตเอวพึงให้สายโยกบาทพึงให้ผ้ากรองน้ำ พึงให้ที่กรองน้ำพึงให้ผ้ากุศิพึงให้ผ้าอัฏฐกุศิพึงให้ผ้ามนฑนพึงให้ผ้าอัถฐมนฑนพึงให้ผ้าอนุวาดพึงให้ผ้าปริพันธ์ถ้าสงมีเนยใสน้ำมันน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยก็ควรให้ลิ้มได้คราวหนึ่ง ถ้าต้องการอีกก็ควรให้อีก